ไปพิจารณาขันท่าว่าอย่างไรบ้างมุชูไปพิจารณาว่าขันท่ามเป็นยังไง อ, อ, อ, อาจารย์สอนนะครับค่อยๆไล่ไปด้วยวันนี้ขันนะเออค่อยๆไล่ไปอย่างนี้เลตามตามพุทธพจน์ในสติปัฏฐานเลยเนาะวันนี้รูปนี่ความเกิดขึ้นแห่งรูปนี่ความดับไปแห่งรูปเนี่ยนะ นี้เวทนานี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนานี้ความดับไปแห่งเวทนานี้สัญญานี้สังขารนี้วิญญาณนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนี้ความดับไปแห่งวิญญาดับไปแห่งวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคือถ้าตั้งคำถามโดยเฉพาะเวทนาเนี่ยเวทนาเนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วพิจารณายังไงอ่านะว่าสุขเกิดขึ้นก็รู้ว่านี่นะสุข ทุกเกิดขึ้นก็รู้ว่านี่ทุกละอันนี้เฉยอย่างนี้หรือเปล่าแล้วพิจารณาไงถ้าผู้ที่พิจารณารูปมามากแล้วจะเห็นชัดเพราะรูปเป็นวัตถุของเวทนาคือเป็นอารมณ์ด้วยเป็นวัตถุด้วยของเวทนามันเนื่องที่ที่รูปจริงๆนะเวทนาเนี่ยถ้ารูปเป็นอิทธารมเนี่ยนะสุขเวทนาก็เกิด รูปทั้งหลายเป็นอนิถารมทุกขเวทนาก็เกิดถ้ารูปเป็นมัชตะคือปานกลางโดยมากอุเบกขาเวทนาก็เกิดอันเวทนาทั้งหลายเนี่ยนะเป็นไปตามสํานวนว่าเป็นไปตามอารมณ์ก็ไม่ผิดเหนะ็นไหมผู้ที่พิจารณาเวทนานั้นเขาพิจารณาที่วัตถุเป็นหลักเนี่ยนะวัตถุเป็นหลักซึ่งตามหลักของการพิจารณานามธรรมทั้งหลายเขาให้พิจารณาอ่าวัตถุกับอารมณ์ให้มาก แล้วจะเห็นนามมาทำชัดขึ้นเนี่ยนะจะว่าไงทกออนจมัน้งอออยย่่างืนี ตรงๆแล้วเป็นเป็นอนิจจังแต่โดยอ้อมก็เป็นเป็นทุกข์นั่นะโดยอ้อมก็เป็นอนัตตาคือคือมองตรงเลยก็เป็นอนิจจังแต่จริงๆอ่ะสิ่งคือสิ่งเดียวกันก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาน่ยแหละดีละนะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทั้งหลาย ใช่ไเช่นโยมโซกับปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาตเราจะเห็นว่าเป็นทุกตรงตรงเลยอ่าเป็นทุกตรตรงแต่อย่างมรณะทั้งหลายอ่ามรณะเนี้ถือว่าเป็นเหตุแห่งโซงกัปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปายาตของบุคคล น, นั้นเองเช่นก่อนจะตายเนี่ยนะถ้ารู้ว่าตัวเองจะตายก็โซกัปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปายาตอย่างใดอย่างหนึ่งก็เกิดส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย นะผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล น, นั้นนะถ้าคนดีหน่อยจำนวนว่าคนนั้นเป็นที่ปรารถนาของชุมชนนั้นสังคมนั้นคนที่เหลือก็จะเกิดโศกะนะบางคนก็หนับไปอีกก็ปริเทวะก็บ่นเพอ้อไปเลยเนี่ยนะนะบางคนก็ทุกข์กายบางคนก็ทุกข์ใจขึ้นมาบางคนก็คับแค้นใจเป็นอย่างมากเนี่ยนะนะใช่ คำว่าว่างแทนคําว่าอนัตตาเนี่ยนะคือมีคําว่าอ น, นอัสุญญโตเนี่ยนะความว่างหรือความเปล่าความศูนย์พวกเนี้ยเป็นคําที่ใช้แทนคําว่าอนัตตาแต่แตคือสิ่งใดอที่มันเป็นอนัตาก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละที่มันเป็นอนัตาก็เพราะว่ามันเป็นทุกข์นั่นแหละมันจึงเป็นอนัตตา เนี่นสกายิาสกายติยี่สิบนะฮะกับกับเรื่องอนัตตาในเกี่ยวข้องกันยังไงครับผู้การถามว่ายังไงนะอีกครั้งคืออยากทราบว่าสักายติถียี่สิบเนี่ยนะฮะเกี่ยวข้องกับอนัตตายังไงอธิบายกันไปยังไงไ คือปกตินะขันห้าประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันทั้งห้าเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไอสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละมันเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นอนัตตา หรือสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละมันเป็นอนัตตาอีกนตรงๆสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นอนัตตาหรือถ้าจะที่แบอนัตตก็เอาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถามว่าไอสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์คืออะไรก็คือขันธ์ห้าความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าในบรรดาขันธ์ทั้งหลายมันมีสังขารขันธ์อยู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่าทิฏฐิเจตสิก เนไหมเข้าไปสำคัญผิดในขันท่5เหล่านี้สำคัญผิดว่าเห็นรูปว่ารูปกับตนนี่คือสิ่งเดียวกันตัวทิถินะคือหนึ่งในสังขารขันนะตัวทิถีอันนี้เกิดขึ้นสำคัญว่ารูปเป็นอัตตาอัตตามีรูปรูปมีอัตตาเนี่ยนะอัตตาอยู่ในรูปหรือรูปอยู่ในอัตตาเนี่ยมันก็สับกันไปอย่างนี้นสี่สี่ใน รูปก็สี่เวทนาสี่สัญญาสี่สังขานิกสี่วิญญาณอีกสี่ก็เท่ากับสี่คูณขันห้ายี่สิบอันนี้คืออันนี้มันเป็นความเห็นเฉยๆความเห็นหรือความเข้าใจเนี่ยนะเขาเข้าใจแบบนั้นซึ่งความจริงของขันห้าตรงๆเลยคือ ไ, ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอันนี้เป็นความจริง แต่ว่าไอ้ตัวทิฏฐิตัวนี้มันไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงนะไปเข้าใจผิดเพี้ยนในขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ถามว่าส ก, กายทิฏินี้มีอะไรเป็นปัจจัยไอ้ความคิดอันนี้เนี่ยเกิดจากอะไรนะใครอลองเสนอคุณชูศรีบ่าไงทิฏฐินี้มันเกิดจากอะไร เอามิจฉาทิฏฐิเกิดจากมิจฉาทิฏฐิอ่ะเพราะว่าไอ้ทิฏฐิมันก็มิจฉาทิฏฐิใช่ไหมเกิดจากมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ไม่ผิดอะไร เ, เกิดจากฟิป布าสีเนี่ยนะถ้าพุทธพจน์พระองค์จะบอกว่าปุถุชนเนี่ยนในโลกนี้ผู้ไม่ได้หนึ่งนะเงื่อนไขข้อหนึ่งไม่ได้สดับ นะสองไม่เห็นเนี่ยนะไม่ได้สดับธรรมะของพระอริยะนไม่เห็นพระอริยะนะสาก็ไม่ฉลาดในธรรมวินัยของพระอริยะข้อสี่ก็คือไม่มีวินัยสิบของพระอริยะเนี่ยนะ อันนี้คือเหตุที่ทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิคือข้อแรกก่อนนะเขาไม่ได้สดัดไม่ได้สดัดคำสอนเลยว่าอุปาทานขันท่านั้นะ่ะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาเนี่ยนะซึ่งขันท่าเราเนีเกิดจาก สมุทยคือขันห้าก็ต้องอาศัยเหตุเกิดเนี่ยนะ mm hmm. ก็ไม่ได้สดับมาแล้วก็ไม่ได้สดับด้วยว่าธรรมะที่สงบระ ง, งับจากขันหมีอยู่และก็ข้อปฏิบัติเป็นอย่างนี้เพื่อที่จะเข้าถึงความสงบระ ง, งับดับขันหสรุปเขาไม่ได้ฟังอริยสัจอะไรเลยจำแนกไม่ออกว่าทุกขสัต์นั้นมันว่างจากสัจว่างจากบุคคลว่างจากอัตตาเนี่ยนะ ว่างจากความเที่ยงว่างจากความเป็นสุขว่างจากอัตตาเนี่ยนะคือเขาไม่ได้ศึกษามไม่ได้แยกแยะอะไรมาเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเพราะเขาไม่ได้สดับแปล ร, รวมรวมว่าไม่เคยฟังคำสอนของพระพูเทอเจ้าเลยข้อที่สองก็คือไม่เห็นอริยธรรมพระอริยะตรงนี้หมายถึงอริยธรรมอนะอริยธรรมก็แบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่ม ไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงของขันห้าเป็นต้นอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือสติปทานเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะในแง่ไตรลักษณ์ตรงๆโดยศาสตร์จะคืออะไรอ่า น, นะทุกขสัตว์เขาไม่เคยฟังสติปทานเป็นต้นที่เป็นมรรคสัตว์เนี่ยนะเพราะนั้นเขาไม่เห็นธรรมะอันนี้นะคือไม่เห็นอริยธรรมเหล่านี้ คือไม่เห็นธรรมะที่จะทําให้เป็นพระอริยะแบบนี้เขาก็เลยเข้าใจผิดในในขันห้าไม่ฉลาดก็คือไม่ฉลาดในธรรมะเหล่านี้ไม่ไม่สามารถจําแนกสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นขันอายตนะเป็นต้นส่วนที่สําคัญข้อสุดท้ายมากคือไม่มีวินัยสิบประการเนี่ยนะคือไม่มีสังวรวินัยกับปะหานวินัยเนี่ยนะก็คือตรงนี้ตรงตัวเลย เขาไม่มีคุณธรรมอะไรเหล่านี้เลยโดยรวมๆนะโดยมากเมื่อไม่มีคุณธรรมเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นปัจจัยของมิจฉาทิฐิพอทิฐิอันนี้เกิดก็ไปสำคัญในขันธ์ห้าพอสำคัญในขันธ์ห้าผลคืออะไรผลก็คือไม่พ้นจากขันธ์ห้าเนี่ยนะก็เกาะเกี่ยวอยู่ในขันธ์ห้า ต่อไปนะนะทิ้งขันอันหนึ่งถือเอาขันอันหนึ่ ง, ท, ง, นนงทิ้งเอาขันอันหนึ่งถือเอาขันอีกอันหนึ่งอย่างเนี้ยไปเรื่อยโดยที่ไม่มีจบมีสิ้นเนีย่ยนะคำนวณว่าทิ้งเฉพาะเอ่อเอาขันตัวเดียวมานะรูปประขันรูปประขันเอาอันเดียวคือกระดูกไงนะกับหนึ่งก็ใหญ่กว่าภูเขาไงนะทิ้งทิ้งขันเอาขันทิ้งขันเอาขันยึดอย่างนี้ไปเรื่อยท่านบอกว่ามือเอ่อไอตัวทิฐิอันนี้เกิดร่วมกับ ตันหาทิถิอันนี้มันจะเกาะเกี่ยวไปเรื่อยเหมือนลิงที่อยู่ในป่าเกาะต้นไม้หนึ่งแล้วก็ปล่อยจากต้นไม้หนึ่งไปอีกต้นไม้หนึ่งซึ่งมันไม่มีสิ้นสุดเนี่ยนะวะัฏะเป็นอย่างนี้อันทิถิอันนี้มันเกิดจากตรงๆเลยคือเขาไม่ได้สะดับน่ น, นะอันวิธีละเนี่ยง่ายมากก็มาฟังมาศึกษาให้เข้าใจแล้วก็คิดตามก็ละเท่านั้นเองแต่โดยต่ทางคาประหารแต่สมุดเฉทะต้อง โซดาปฏิมักเนี่ยนะในบรรดาทิฏฐิที่ที่จะละเนี่ยนะเมื่อเข้าไปเห็นทั้งหมดเหล่านี้โดยความเป็นขันห้าคือแยกสิ่งเหล่านี้เป็นขันห้าละอันนี้ตรงตรงเลยละสกายะตรงตรงส่วนถ้าไปพิจารณาถึงปัจัยก็จะละความสงสัยในในการสามของขันห้าถ้าไปพิจารณาเหตุเกิด ก็จะละทิฐิกลุ่มอุเฉททิฐิถ้าพิจารณาความดับก็ละสัสตตทิฐิเนี่ยนะก็ที่เหลือก็ปฏิบัติเพื่อเบือหนายและคลายกำหนัในขัน5ก็ถ้าเบือหนก็ละความกำหนัะละความละนันที่นะความเพลิดเพลินไปได้เพราะฉะนั้นโครงสร้างรวมๆก็คือเนี่ยเกิดจากความไม่ได้สนับทีนี้ถามว่า อทิฐิสกายะทิฏฐิอันนี้ก็นับเนื่องในสังขารขันเพราะฉะนั้นสกายะทิฐิอันนี้ก็เป็นอนัตตาด้ว ย, วยนะแต่ว่าไอ้ทิฏฐิอันนี้ไปไปเห็นขันห่าว่าเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นใครจะทําให้มันเป็นอัตตาก็ไม่มีใครทําได้อัตตาโดยทิฐินะไม่มีใครทําได้จริงๆมีแต่ความเข้าใจผิดเท่านั้นเองอนะ เพราะอัตราอัตร า, าแบบนี้นะอัตราที่เป็นสกายยธิฐทเนี่ยไม่มีใครทำได้ไม่มีใครเจริญสร้างมันขึ้นมาได้จริงๆเว้นแต่เข้าใจผิดเท่านั้นเองเขาว่าเห็นรูปโดยความเป็นตนนะข้อหนึ่งนะเห็นรูปโดยความเป็นตนนี่แสดงว่าเราไม่ได้เห็นความเป็นอนัตตาเขาก็ก็ ตัวตัวแท้ๆของของตัวเองอะนะฟังกันเถอะคือมีความเข้าใจในเรื่องชีวะอย่างใดอย่างหนึ่งอะนะที่มันมันซับซ้อนอะนะเสร็จแล้วบอกว่าไอ้ชีวะอันนี้มันอันเดียวกันกับรูปเช่นอย่างที่คุ้นเคยกันมากก็คือสมองกับกับอะไรเนี่ยคนคือสมองสมองคือคนอะไรเงี้ยนะก็คือมีความสําคัญแบบนั้นจรงิงๆว่ามันอยู่ที่สมองจรงิงๆหรือถ้าเป็นโบราณหน่อยบอกมันอยู่ที่หัวใจนะอย่างเงี้ยหรือบางคนก็บอกมันอยู่ทั้งรวมๆเลยนะ อันนี้แหละทเรียกว่าเห็นรูปโดยความเป็นเป็นเป็นอัตตาว่าตัวเขาจริงๆคือคือรูปรูปคือเขาเขาคือรูปนะอันนี้ข้อหนึ่งเห็นตนมีรูปตนนี้ก็คือเป็นนามธรรมทั้งหลายเห็นไหมเห็นตนเนี่ยเป็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะตนอันนี้มันมีรูปเพราะฉะนั้นรูปในฐานะเป็นสมบัติของตนคือเป็นบริขารของอัตตาเห็นไหม คืออัตตากับรูปคนละอย่างกันแต่รูปในฐานะเป็นบริขารของอัตตาเนี่ยนะเหมือนกับต้นไม้มีเงาเท่านั้นเองซึ่งมันไม่มีคือคิดคิดยังไงมันก็ไม่มีถึงจะตั้ ง, ง, งทฤษฎีจริงๆแล้วตนคือตนไม่มีรูปในตนเ อ, เอาอย่างนี้นะตนของตนก็ยังไม่มีตนจริ ง, รงๆงานคืออะไรอ๋อ จริงๆอ่ะตนคืออะไรมันมีแต่ขันห้าตนมันไม่มีอยู่แท้จริงเนี่ยนะตนเห็นตนมีรูปแสดงว่าตนน่ะไม่มีมีแต่รูปเห็นตนมีรูปคืออย่างนี้นะคือข้อแรกก่อนเขาบอกว่าอัตตาเนี่ยนะคือรูปอัตตาของเขาอ่ะคือคือรูปนี้อันเดียวกันทีนี้พอข้อสองก็บอกไม่ใช่อัตตามันต้องตัวนี้สิ เนี่ยนะอัตตาอันนี้เนี่ยมันมีรูปอัตตาคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะสำคัญว่านามธรรมเนี่ยเป็นอัตตาอัตตาเนี่ยมันมีรูปนะเคืออัตตาอย่างหนึ่งรูปอย่างหนึ่งแต่สำคัญว่าไออัตตาคือเวทนาขันเป็นต้นว่าเป็นอัตตาในฐานะมันมีรูปนะที่โมาก็ต้นไม้มีเงาเนี่ยนะต้นไม้อย่างหนึ่งเงาอย่างหนึ่ง แต่ทีนี้ถ้าวิคนโดยละเอียดนะอัตตาเนี่ยมันมีที่ไหนอะไรอะไรคืออัตตาของเขาอ่ะเพราะคนไปจริงๆมันก็เ อ, อเวทนาเนี่ยมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงงั้นอัตตาของคุณก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเลยเพราะงั้นอัตตาของคุณก็เปลี่ยนไปเรื่อยถ้าบอกว่าสุขเวทนาเป็นอัตตานะเอาถ้ามันเปลี่ยนไปเป็นทุกข์อ่ะเอาอัตตาทุกข์อีกแล้วถ้ามันอุเบกขาเอาอัตตาก็เปลี่ยนไปเรื่อยเอออัตตาที่แท้จริงมันควรจะเที่ยงไม่ใช่หรือ เพราะมันตนจริงๆอ่ะนะมันควรจะดีมันควรจะเที่ยงแต่นี่ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นคุณเข้าใจผิดมันเองเนี่ยนะหรือบางพวกสาคัญว่าสัญญาเนี่ยเป็นอัตตาหรือสังขารหรือวิญญาณแต่ว่าตนมีรูปเนี่ยหมายถึงเหมาวรวมว่าไอ้ทั้งหมดนี้เป็ น, นเป็นตนตนนี่มีรูปซึ่งตนจริงๆมันก็ค้นไม่เจอมันก็หาอย่างไงมันก็ไม่มีตนอันอันที่ว่านะไอ้อย่างที่เขาคิดอะอย่าง พระเจ้ามิลินที่ถามพระนาคเกษว่ามันมีชีวะชนิดหนึ่งอ่ะนะมันอยากเห็นทางตามันก็วิ่งมาดูทางตาอ่ะนะมันอยากได้ยินมันก็วิ่งไปฟังที่หูมันอยากจะรู้กลิ่นมันก็มาที่จมูกมันอยากจะรู้รสมันก็มาที่ลิ้นอ่ะนะมันอยากแกรับกระทบโภตาภามันก็วิ่งไปที่กายไอ้ชีวะอันนี้แหละพระคุณเจ้าเรียกว่าอ่ะนะเรียกว่าชีวะปุคละอะไรของเขาถามว่าจริงๆมันมีไหมไออย่างที่เขาคิดอ่ะคือ ถ้ามันมีจริงอ่ะนะสมมติถ้าไอาตัวนั้นมันมีจริงคุณหลับตาคุณก็ใช้หูเนี่ยดูมันสิเพราะมันตัวเดียวกันนี่ใช่ไหมมันก็ไม่ได้เพราะว่าพระองค์บอกว่าถ้าจะเห็นได้มันก็คืออาศัยวัตถุนะเช่นจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณแต่ให้อัตาที่วิ่งไปดูอะไรอย่างที่ว่ามันไม่มีเพราะฉะนั้นอัตาอย่างนี้ไม่มีไม่มีอยู่จริงไม่มีจริงแท้เนี่ยนะไม่มีอยู่จริงแท้แต่เป็นการเข้าไปเข้าใจผิดเท่านั้นเองเนี่ยนะ เข้าใจผิดเออในนี่มันมีสัตว์อยู่นะทายซิมันผู้หญิงหรือมันผู้ชายคนยังไงมันก็มีแต่นี่มันไม่มีอยู่จริงเ น, นี่ยาะพระเจ้าขวัญาผู้ติชนโดยทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้รดับนี่ทุกคนนี่ต้องต้องมีความเข้าใจผิดเนี่ยต้องอย่างใดอย่างหนึ่งในนี้จะไม่พ้นยี่สิบคอย่างนี้เดี๋ยวไปหาเองเนี่ยนะคือปกตินะบางบางพวกอ่ะนะพวกที่ พวกที่กลุ่มอุดเชติธิทั้ทงหลายแหลโดยมากสําคัญว่ารูปเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นเขาจะหวงแหนทนุถนอมไอรูปเนี่ยมากเนี่ยนะทำยังไงมันจะอยู่ได้ทนมันจะอยู่ได้นานที่สุดเพราะพวกที่สําคัญว่ารูปเป็นอัตตากลุ่มนี้อุดเชตเนี่ยนะอุดเชทิธิทิทพ่วงนี้กลัวตายมากทํายังไงจะได้อามาตะหรือถ้าตายถ้าตายไปแล้วก็ทํายังไงจะสร้างชื่อเสียงเอาไว้ให้มากที่สุดในโลกเนี่ยนะเพราะเขาถือว่ารูปเป็นอัตตา ทีนี้ถ้าพวกที่ถือนามเป็นอัตรานะ้รูปมันไม่เที่ยงหรอกนะแต่ว่านามเนี่ยมันเที่ยงมันตายแล้วมันไปไปเกิดอีกนะเห็นไหมคืออัตราของเขานิยามที่ที่เขาจะคิดต่อไปคือมันเที่ยงเห็นไหมอย่างหนึ่งถ้าเจริญอัตราไปได้ระดับหนึ่งมันจะได้รับความสุขเนีย่ยนะมันจะเข้าถึงภาวะที่เที่ยงอย่างหนึ่งมันจะเข้าถึงภาวะที่สุขอีกอย่างหนะึ่งเห็นไหม เพราะฉะนั้นอถ้าพื้นฐานเข้าใจอย่างนี้ว่าเป็นอัตราอยู่แล้วนะขายนพานสบายเลยว่านิพพานเนี่ยนะเมื่อเมื่ออัตราของคุณอะไปรับนิพพานแล้วมันสุขสุดยอดเลยเนี่ยนะไปอยู่ที่นั่นน้อมาตะเลยนะก็ก็กลัวมากกลัวว่ามันจะหมดมันจะหมดอาตาัตราเพราะฉะนั้นถ้ามันมีแดนนะดนหนึ่งที่ใดก็ตามเอ ที่มันมันทำให้อัตตานี้อยู่เป็นสุขที่สุดดีที่สุด ส, ดสบายที่สุดก็จะนะใครเจ้าของหลักการอันนี้ก็เป็นาศาสดาเลยนะตั้งาศาสนาขึ้นได้เลย น, น, นแต่ว่าพระองค์ตรัสบอกว่ากลุ่มเดียรถี <c ười> คือมันเป็นท่าอีกชนิดหนึ่งที่ดักสัตว์เอาไว้นะลองไล่ดูนะท่านครับลองไล่ดูนะพอมาถึงเวทนานะฮะ เห็นเวทนาโดยความเป็นตนเนี่ยนะฮะและตัวตนตัวนี้ก็มัลงไปอยู่ตรงไหนแล้วครับก็เห็นเวทนาโดยความเป็นตนก็คือตนคือสิ่งเดียวกันกับเวทนาเวทนากับตนนี่อันเดียวกันตัวนี้เห็นเวทนาเห็นตนมีเวทนาเห็นเวทนากับตนเนี่ยคือ สิ่งเดียวกันว่างั้นเถอะไม่ได้ต่างกันเลยข้อสองตนมีเวทนา่ตนตัวนี้เนี่ยหมายถึงเขาถือว่ารูปะนะสัญญาสังขารและวิญญาณันที่เหลอขาถือขันที่เหลือโดยความเป็นตนอันนี้อันนี้อันนี้มี ม, มีมีกล่าวไว้ใน ใ, ในในเล่มไหน ที่ว่าที่เหลือนะ่ะเป็นเรื่องของคำามว่าตนไปคันที่เหลือเนี่ยอยู่ดูในอัตรกรถาเนี่ยสูตรแรกเลยให้ชัดที่หนึ่งที่หนึ่งไปดูในปฏิสัมพิธามักเล่มเล่มที่สองคือปฏิสัมพิธามักมีสองเล่มอยู่เล่มที่สองเรื่องส ก, กายะทิถี่ยี่สิบเนี่ยนะแล้วก็ดูในอัตรกรถาด้วยอัตรกรถาจะบอกแนวให้ถ้าอย่าง เ, เห็นตนมีเวทนาอย่างหนึ่ง หรือว่าเวทนาเนี่ยมีในตนหรือว่าตนเนี่ยมีในเวทนาเนี่ยนะเอ่อพวกนี้ท่านบอกว่าทิฏฐิสองอย่างนี่นะยึดถือนามกับรูปว่าเป็นอัตตาะนะพวกนี้เป็นสัตตะทิฏฐิ ส่วนเห็นเวทนาโดยความเป็นตนพวกนี้อุดเฉททิถิพวกนี้ยึดถือรูปอย่างเดียวนะพวกนี้ยึดถือทั้งนามทั้งรูปเสกายะทิถิทั้งหมดนะยึดนามยึดรูปเป็นอัตตาเนี่ยนะ1ึยึดนามเป็นอัตตานี่ยเดยึดนามกับรูปเป็นอัตตาเท่าไหร่ อย่างนั้นนะเจ็ดแปดยี 7, 8, ่สส ก, กายะทิฏฐิมีย0สบอยู่แล้วคือผู้ที่สำคัญว่าอาตาัตราอัน น, นคือรูปเป็นอัตราเนี่ยมีอยู่หนึ่งพวกที่สำคัญว่านามเนี่ยเป็นอัตราเนี่ยมีอยู่เจพวกที่ยึดถือทั้งรูปทั้งนามว่าเป็นอัตรามีอยู่ส2บสกลุก่ม่น ทีนี้ก็แบ่งว่าอันนี้จะพูดโดยนามรูปนะถ้าพูดโดยสัสตะกับอุเฉทิธฐิเป็นอุเฉทิธฐิห้าเป็นสัสตะสิบห้านั่นนะก็สูตรแรกนะบอกไว้แล้วก็ถ้าพิสดารเลยคือปฏิสัมพิธามมรกกนนะ ว่าจะถ่ายมาให้ดูก็เห็นแล้วโอ้โหเยอะมากก็เลยเปลี่ยนใจสับตาตกไปเลยเห็นมันเยอะมากปฏิสัมพิธามักทิถิกถาเนี่ยนะทิถิเป็นสองร้อยนอะนะก็ดูดูเอะแต่จริงๆอ่ะเป็นเรื่องของความจะพูดตรงๆก็คือความบ้าชนิดหนึ่งอะนะมันคนเมาคิดอะนะมันไม่ได้คนมีสติสตังอะไรคิดอนะ เป็นลทัทธิที่มันเกิดจากความเขลาอย่างเดียวนะเกิดจากอาวิชชาเหมาวิชาเป็นราบเป็นเงาเพราะในอัตตาเนี่ยในยะนี้นะอัตตาไม่มีแต่กุศลทั้งหลายอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอัตตาเหมือนกันนั่นะกุศลนะกุศลก็เรียกว่าอัตตาเดี๋ยว จะถึงวักต่อไปเนี่ยคืออัตตีปวัก น, ะนะี่นะเทวให้มีให้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอันตรงนั้นจากที่ายอีกครั้งหนึ่งซึ่งคนละในกับกับที่พูดไปนี้น ะ, นะมันดูภาระวักก่อนนะถ้ามีทิฏฐิหรือมีตันหาในขันท่าแล้วมันเป็นภาระยังไงกรุงสาวัตถีนะนะหน้าห้าสิบแปดนะ หน้าที่นั้นแลนนน่พระองค์ก็ตราเรียกภิกษุทั้งหลายนะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงภาระภาระนี้โดยศัพท์แปลว่านหนักนะเราจะแสดงของหนักอย่างนันนะแล้วก็ผู้แบกภาระการถือภาระและการวางภาระแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นก็ทนรับสนองพระนํารับ แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนที่สูดทั้งหลายก็ภาระเป็นไงเพิ่งกล่าวว่าภาระคืออุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าเป็นไนคืออุปาทานขันคือรูปอุปาทานขันคือเวทนาอุปาทานขันคือสัญญาอุปาทานขันคือสังขารอุปาทานขันคือวิญญาณดูก่อนที่สุดทั้งหลายนี้เรียกว่าภาระ นะตัวภาระเลยคือตัวขันห้าถามว่ามันเป็นภาระยังไงเนี่ยนะอัตกรถาที่บายว่าถามว่าด้วยอัดว่าอะไรเนี่ยนะที่ว่าขันห้าเป็นภาระเนี่ยมีความหมายว่ายังไงแก่ว่าด้วยอัดว่าเป็นภาระที่จะต้องบริหารจริงอยู่อุปาทานขันห้าเหล่านั้นจำต้องบริหารนะเอารู ป, ปขันก่อนนะ ให้เดินให้ยืนให้นั่งให้นอนให้อาบให้แต่งตัวให้เคี้ยวให้กินเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ยบริหารรูปประขันถามว่าถ้าบริหารรูปประขันไม่ดีอะไรเกิดขึ้นเวทนาขันเดือดร้อนถ้าบริหารเวทนาขันเข้านะถ้าบริหารผิดผิดสัญญาขันอีกเห็นไหม ก็พวกนี้มันต้องบริหารทุก ข, ขันเลยนะแต่ว่าในในในกามรมาพบเนี่ยบดเน้นบริหารรูปขันถ้าในรูปประพบกับรูปประพบเนี่ยเน้นบริหารนามขัน น, นะนะคือรูปประพรมเนี่ยบริหารนามขันกับรูปขันถ้ารูปประพรมเนี่ยเน้นบริหารนามขันแต่ว่ารวมๆแล้วบริหารขันห้าหมดเลยเนี่ยนะผมดูเข้าไปบริหารระบบไอจีเ น, นี่ยนะ ดูแล้วับริหารดูแล้วมันเป็นการต่อสู้กับต่อสู้กับไอ้ไอ้ไอ้ความเจ็บไข้ความตายก็เป็นการต่อสู้อย่างรุนแาเป็นตัวตายเลยเป็นทาร่านะก็บริหารก็เนี่ยเขบทวนดูชีวิตแต่บริหารมันมาขนาดนี้แลยนะไม่บริหารก็ไม่ได้ไม่ได้บริหารเนี่ยหนักมากนะแล้วก็บางคนก็ไม่ได้บริหารขันเดียว แต่ S <S จริง <S <S นะนะถ้าถ้ามันนั่งทบทวนไอ้ขันที่รูปขันของเรานะหรือขันห้าของเราเองเนะี่ยที่บริหารมามันก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้บริหารขันเดียวนะก็ไปแบกขันต่างๆมาช่วยบริหารอีกเยอะเนี่ยนะนะถ้าเป็นนายมีลูกน้องสิบคนก็บริหารอีกสิบขันอย่างนั้นนะนะก็เป็นอย่างนั้นได้ออกกําลังกายทุกวัน อ, <5 S 2> ออกออกกําลังกายวันละยี่สิบนาทีหรือว่าเดินเดินเดินสายพานนี่ยฮะมันก็เบื่ออยู่แล้วนี่นะแต่ถ้าไม่ออกนะฮะ เข้าลงโทษเลยนะครับ uh> แล้วถ้าไม่บริหารนะฮะมีโทษครับต้องมีจริงๆครับก็อย่างบริหารรูปกระขนเนี่ยโดยการให้เคี้ยวให้กินถ้าเราไม่เคี้ยวไม่กินดูสิรูปกระขนเขาก็เขาก็ลงโทษแรงมากเลยนะบิดท้องบิดไส้บิดหมดละบิดหน้าบิดตาบิดเวทนาสัญญาบิดไปหมดละหรือถ้ายืนอย่างเดียวเลยนะอไปยืนตากแดดตากฝนอยู่สักครึ่งเดือนเนี่ยนะ มันจะเป็นยังไงนะถ้าไม่บริหารให้เขาเป็นไปตามนั้นนะเสียหายนั้นลงโทษถึงตายก็ได้นะลงนยอย่างนั้นจริงๆแปลกบริหารไถอะแต่บางคนก็เพลิอเพลินในการบริหารครับอก็ความวิปลาสนะนะมีความสุขกับการบริหารคือเนื่องจากว่าอุปมาเนี่ยนะ ที่พระองค์ตรัสแล้วว่ามันเหมือนกับคนเป็นโรคเรื้อนน่นะมีความสุขกับการเกาแผลคันอันนั้นเนะเกาแผลอันนั้นสุขมากมีความสุขเหลือเกินเนี่ยนะซึ่งเขาไม่รู้ว่าเอ๊ะถ้าหายโรคแล้วมันดียังไงเขานึกไม่ออกเเขาบอกว่าถ้าจะให้ขันนะรูปขันงามๆนี่นะเวลาอาบน้ำเนี่ยให้เอาผ้าขนหนูหรือหรืออ่ลังบวบนะเข้าไปขัดนะ ผิวพันจะ ง, งามนะเพราะว่ามันจะเอาเซลล์เก่าเนี่ยหลุดไปเพราะฉะนั้นในที่นี้ใครอยากจะห้ามห้ามห้ามขัดเกินอีกนะ ข, ข, ขัดแรงไม่ได้นะไอขันเอาเรื่องอีกนะนะถ้าขัดแรงไม่ได้เหมือนกันไปใช้ฝอยล้างจานขัดเนี่ยถ้าขัดอย่างนั้นได้นะนั่นอ่ะจะเกิดความเพลิดเพลินเยงามอีกพักเดียวเนี่ยนะไปดูแล้วมันไม่งามอย่างคิดก็เดือดเรา้อนอีกนั่นแหละ